เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่ส5ห้าตอนอัตธกถาธรรมบทแปลาจากพระบาลีภาคพิเศษทิ้งท้ายเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงอุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณจันทนาสระสืบกุลคุณวิมลพรแก้วกลมคุณอริยานั น, นวัตกีหัตกรรม คุณพรเพเณหงร่อนคุณกิติพัฒร์จันเขียวและคุณนีลนัน์พรมโซดาจากโซโลดปัญหาถึงปัจจยาการสิบสองพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของพราหมณ์นบสิบหกคนจิตของพราหมพาวรีซึ่งเดินทางจากแคว้นโกศลไปทูลถามพระองค์ที่ป่าสาณเจดีแคว้นมคธ แล้วบรรลุธรรมทุกคนจึงของนำเอาเรื่องราวและสาระข้อธรรมสำคัญควรแก่การปฏิบัติมาพิจารณาดังนี้ 1. ทรงตอบอชิตะมานกโลกคือหมู่สัตว์มีอวิชชาความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในที่มืดไม่มีปัญญาแลเห็น เพราะตัณหาความอยากฉาบไลสัตว์โลกให้ติดอยู่และทุกข์เป็นภัยใหญ่ของหมูสัตว์เหล่านั้นสติเป็นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันตัณหาความอยากและความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาผู้เห็นธรรมคือพระอริยเจ้าไม่กำหนดในกามคือกิเลสกามใจไม่ขุนมัวมีสติทุกอิริยาบถฉลาดในธรรมะทั้งปวง 2. ติดสะเมเตยะมานกผู้ประพฤติรมจ a j a ์สำรวมในการทั้งหลายคือความใคร่ในการมาคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นปราศจากตัณหาความอยากมีสติทุกเมื่อดับเครื่องร้อนกระวนกระวายเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นผู้สันโดษรู้ส่วนของข้างปลายทั้งสอง คืออดีตและอนาคตด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนถ้ำกลางคือปัจจุบันชื่อว่าเป็นมหาบุรุษผู้ล่วงตัญหาความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกเสียได้ 3. อุณกะมานกุกหมู่มนุษย์สวดสรรเสริญบูชายัน รำพึงถึงสิ่งที่ตนปรารถนาก็เพราะอะไรลาบอย่างเป็นคนกำนัดยินดีในพบไม่ข้ามพ้นชาติชาราคือทุกไปได้ผู้ไม่มีตัณหาความอยากที่เป็นเหตุดิ้นรนทะเยอทะยานอยากผู้นั้นมีจิตสงบระงับแล้วย่อมข้ามพ้นชาติชาราไปได้ 4. เมตะคูมานกทุกทั้งมวลล้วนมีเหตุเกิดมาจากอุปธิคือกรรมและกิเลสเมื่อรู้จักเหตุเกิดแล้วอย่าพึงกระทำกรรมและกิเลสนั้นให้เกิดขึ้นผู้มีสติย่อมข้ามตัณหาความอยากอันทำให้ติดอยู่ในโลกได้ จงบรรทาความเพลิดเพลินในส่วนเบื้องบนคืออนาคตเบื้องต่ำคืออดีตและในส่วนถ้ำกลางคือปัจจุบันเหล่านั้นเสียวิญญาณจักไม่ตั้งอยู่ในภพมีสติไม่ประมาทแล้วละอุปาทานความเชื่อมั่นว่าเป็นของเราเสได้จะละทุกข์คือชาติความเกิดและชราได้ ผู้ไม่มีตัณหาความทยานอยากไม่มีกิเลสกระทบจิตผู้นั้นแหละข้ามพ้นชาติชราได้ 5. โทตกะมมนกตถาคตเรื่องไกลในโลกออกเสียจากความสงสัยไม่ได้เมื่อท่านรู้ตามก็ย่อมข้ามทะเลใหญ่ คือกิเลสอันนี้ได้เองอุบายดับกิเลสคือมีสติข้ามพ้นตันหาความอยากที่ตรึงจิตไว้ในโลกเสียได้อันตันหาความทยานอยากทั้งเบื้องบนคืออนาคตเบื้องต่ำคืออดีตและท่ามกลางคือปัจจุบันเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลกจงอย่าพึงทำความทยานอยากเพื่อจะเกิดในพพน้อยใหญ่ อุปสีวามานพจงเป็นผู้มีสติอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีไม่มีคืออากินจัญญายตนะฌานดังนี้ละกามทั้งหลายเสียย่อมเห็นความหมดไปแห่งตันหาความทยานอยากได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเถิดจะตั้งอยู่ในอารมณ์ว่าไม่มีไม่มีนั้นไม่มีเสื่อมเป็นผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูป ย่อมดับไม่เหลือไม่เกิดอีกเมื่อธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นอันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้วผู้ที่ดับขันแล้วมิได้มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอีก 7. นันทกะมานกผู้หากิเลสไม่ได้ไม่มีตัณหาความทยานยาก ไม่มีความกังวลทยานยากผู้นั้นชื่อว่ามุนีผู้สงบผู้ใดละอารมณ์ที่ตนได้เห็นได้ยินได้รู้ละศินพระกับพิธีเป็นอันมากเสียทั้งหมดรู้ตันหาความทยานอยากว่าเป็นโทษอันควรละแล้วผู้นั้นย่อมข้ามชาติชราได้สินพระกับพิธีเป็นอันมาก คือศิลป ะ, ะ, ะปรามาศพระโสดาบันเท่านั้นจึงจะละได้ข้อนี้คือการติดลทัทธิพิธีมงคลตื่นข่าวเชื่อมั่นถือมั่นในเรื่องโชคลางเลขมงคลสีมงคลวันมงคลแม้แตะการสวดมนต์ที่แปลไม่ออกไม่ได้สวดเพื่อพิจารณาธรรมในบทสวดนั้นแต่กลายเป็นสวดเพื่อความคลังเพื่อความโชคดีแบบนี้ก็เป็นศิลป ะ, ะ, ะปรามาศนะครับ ซึ่งทุกวันนี้แทรกซึมอยู่ในศาสนาจนยากจะแยกออกและที่น่าสลดใจที่สุดก็คือนักบวชของชาวพุทธเองที่เป็นคนนำสิ่งพวกนี้มาสั่งสอนชาวบ้านหนักสุดก็ถึงกับปั้นเทวดาของศาสนาอื่นมาให้กราบไหว้นะครับผู้อ่านเองก็ไม่เข้าใจว่าเรามีสำนักพุทธเรามีหน่วยงานเพื่อศาสนาไว้ทาไมถึงปล่อยให้ศาสนาเสียหายได้ถึงขนาดนี้และอย่างพระทิปั้นเทพของฮินดูมาให้กราบไหว้นั้น เมื่อไม่นานมานี้ก็ยังได้เลื่อนสมณศักดิ์อีกก็เป็นที่สลดสังเวชแก่ผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมอย่างแท้จริงศา ส, สนาอื่นทํอะไราชาวพุทธไม่ได้หรอกถ้านักบวชผู้เผยแพร่ไม่สอนผิดลู่ผิดทางและสร้างสิ่งงมงายที่เป็นการขวางการบรรลุธรรมแค่เรื่องของศิลปะปรามาตนี่ก็เต็มไปหมดแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติกันอยู่แบบนั้น แปดเหมะกะมานกชนเหล่าใดได้รู้ว่าพระนิพพานเป็นที่บรรเทาความกำหนัดพอใจคือตัณหาในอารมณ์เป็นที่รักซึ่งได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ดมแล้วได้ชิมแล้วได้ถูกต้องสัมผัสแล้วและรู้แล้วด้วยใจและเป็นธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือนิพพานนั้นเป็นนิจจังสุขขังอนัตตา เมื่อรู้แล้วย่อมมีสติมีธรรมะอันเห็นได้ดับกิเลสแล้วชนเหล่านั้นแหละก้าวข้ามพ้นจากตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลกได้ก้าวโตทยะมานก ผู้ใดพ้นจักามาตัญหาและความสงสัยแล้วกามก็ดีตัญหาก็ดีจะไม่กลับเจริญขึ้นไม่ต้องภาคเพียนทำให้พ้นไปอีกมุนีเป็นผู้ไม่กังวลไม่ติดอยู่ในพบไม่มีตัญหาความทยานอยาก 10. กัปปะมานก ชนเหล่าได้รู้นิพพานนี้แล้วย่อมเป็นคนมีสติได้เห็นธรรมะแล้วดักกิเลสได้แล้วย่อมไม่ตกไปในอำนาจของมานในที่นี้คือกิเลสมารเป็นาธาตุอารมณ์สิบอ็ดชะตุกันนี จงกำจัดตัณหาคือความกำหนัดในกามกิเลสเครื่องกังวลด้วยตัณหาและทิฏฐิจักเป็นคนสงบระงับกิเลสอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจของมัจจุราชก็มีไม่ได้ข้อนี้คือเมื่อนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายอีกมัจจุราชคือความตายก็มีไม่ได้ 12. พัทราวุฒมานกหมูสัตว์ติดอยู่ในวัตตะเพราะอุปาทานความถือมั่นในส่วนเบื้องบนคืออนาคตเบื้องต่ำคืออดีตและในส่วนถ้ำกลางคือปัจจุบันพึงนำตัณหาเหตุของอุปาทานความถือมั่นออกให้หมดสิน้นพึงมีสติไม่ถือมั่นไม่มีกิเลสตัณหาเครื่องกังวล ไม่กังวลในโลกทั้งปวงข้อนี้คือคุมผัสสะดับเวทนาได้ตัณหาอุปาทานก็ดับ 13. อุทัยมานกโลกมีความเพลิดเพลินผูกไว้และความตรึกคือความคิด เป็นเครื่องสัญจรของโลกทําให้เกิดตัณหาท่านกล่าวว่านิพพานนิพพานเพราะเหตุที่ละตัณหาเสได้อุเบกขากับสติเป็นธรรมะเครื่องพ้นจากกิเลสเป็นเครื่องทําลายอาวิชชาความเขาไม่รู้แจ้งส4 โปราละมานกบุคคลใดกำหนดหมายเห็นอยู่ทั้งภายในภายนอกว่าไม่มีอะไรเลยในโลกคืออากินจัญญายตนะให้พึงพิจารณาสหาชาตาธรรมในความว่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นให้แจ้งชัดโดยลักษณะสามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วคําว่าสหาชาติธรรมในความว่างหมายถึงสามัญลักษณะสามที่มีอยู่ประจําโลกว่างๆให้เข้าไปรู้ให้ประจักแจ้งชัดให้เป็นสันติทิฏฐิด้วยตนเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งอยู่นานไม่ได้และไม่อยู่ในอํานาจบงการบัญชาของผู้ใดเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเอง สิบห้าโมขราชจงมีสติพิจารณาเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าตัวของเราทุกเมื่อคือทุกอิริยาบถเถิดมัจจุราชย่อมแลไม่เห็นสิบหกปิงขียะมานก ละความพอใจในรูปและละตัณหาเสียจะได้ไม่เกิดอีกครั้นจบคำพระสัสดามานุกทุกคนต่างบรรลุอรหัตผลและขอบวชเว้นปิงขียะมานุกผู้เดียวได้เพียงดวงตาเห็นธรรมโสดาปติผลเท่านั้นเพราะจิตกังวลเรื่องพราหมภาวรีผู้เป็นลุงแต่บวชแล้วไม่นาน ก็บรุธรรมด้วยการนำไปเล่าแสดงให้ลุงฟังจนลุงบรรลุอนาคามีและท่านเองก็ได้บรรลุอรหัสด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนั้น